พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสาลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2556ห้าหมีชื่อเรื่องว่าธรรมและวินัยนั้นแลจะแทนเราตถาคต วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วเมื่อเช้าพวกเราก็จะทำกิจกรรมมีการบรรจุพระพ ร, รมสาหรีริกษ์ธาตุวัดบ้านสวนสำนักอุบาสิกาแต่บ่ายห้าโมงเย็นขณะนี้เราได้ลงอุโบสถเพราะเป็นวันอุโบสถพระสงฆ์ทั้งหมด35รูป พร้อมกันลงอุโบสถในเย็นวันนี้แล้วก็ได้สวดพระปฏิโมกจบปรงตอนนี้ไปผมจะได้แนะนำหรือว่าบอกกล่าววันสำคัญคือวันวิสาขาบูชาพวกเราจะต้องพูดเกี่ยวกับวิ น, นัยในพระสงฆ์ที่จะต้องรู้จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติ พระพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันได้ต้องมีกฎระเบียบศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายอันนี้คือคําตรัสสั่งของพระพุธทธเจ้าเพราะนั้นพวกเรา ถึงจะหลักพระธรรมวินัยมาประพฤติปฏิบัติหลักพระธรรมวินัยคืออะไรคือคือสินศิลและวินัยศินสองรี่สิบที่พวกเราสวดจบลงสักครู่นี้อันนี้คือศินศิลพระสงฆ์ศินสองี่สิบแล้วก็ยังมีศินอีกศิลอภิสมาจาร์อันนี้ว่าศิลพระปฏิโมกศิน ที่สวดจบพงศักรูนี้มีอยู่227ศึกขาบทแล้วก็ศีลอภิสมาจาร์มีมากกว่าที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์อยู่ในพวกพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่รู้ศีลและวินยัยหรือว่าไม่รู้จกักศีลของตัวเองอย่างนี้ก็จะเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่ได้ จะเป็นศากยบุตรพุทธชินนรสเต็มปากเต็มคําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นั้นอยู่ในหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าศากยบุตรพุทธชินนรสพวกเราบวชเข้ามาแล้วก็บวชในศาสนาพุทธปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในศีลและวินยัยแล้วเราจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายอมรับผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีวินยัยเราเองก็จะอยากจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่เราก็เป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีวินยัย อย่างนั้นก็คงจะไม่สมบูรณ์เป็นลูกก็ลูกแบบนอกคอบลูกไปอยู่ในโอวาทเพราะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนพวกเราท่านทั้งหลายใส่ใจในศีลและวินยัยให้ตรวจตรายอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชเข้ามาจะยึด พระธรรมคำสอนว่าจะเป็นถ้าว่าเป็นนักบวชจะอยู่ตลอดไปสมควรยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็ให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางให้มีน้ำใจให้มีความยืดหยุ่นในการเป็นอยู่หมู่พวกเพื่อนพ่อในพระในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนี่มื้อเช้าเนีผมก็ได้พูดถึงเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วได้แบ่งแบ่งอธิธาต์แบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าในหัวเมืองต่างๆแต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานโค้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าปรุงอายุสังขารคือพระพุทธเจ้าได้แสดงนิมิต แดงเครื่องหมายก็จะแดงคําพูดให้กับพระอานนท์เป็นต่างกลัมต่างวาระถึงหลายครั้งว่าอย่างเราจะทาคตเนี่ยจะอยู่ได้นานถ้าอยู่ในอิธิบาทสี่อย่างนี้เป็นต้นท่านพูดหลายหลาครั้งแต่พระอานนท์ก็ทันว่าคล้ายๆกับพระยามารเขามันโดนใจพระอานนท์ พระอนุลสานึกไม่ได้แต่ถ้ามาพระอนุลสํานึกได้เก้าขอพระองค์จงชมพระชนโปรดเป็นนัตว์ต่อไปนานเท่านานด้วยเถิดพระเจ้าข้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะได้รับอาราธนาพระอนุลแต่พระอนุลก็ไม่ได้กราบอาราธนาพออยู่ต่อมานานเข้าพระพุทธองค์ก็เห็นว่าเราประกาศพระศาสนาเป็นเวลาถึงสีสบห้าปีก็เพียงพอ พุทธบริษัทเข้มแข็งกูบาศกกูบาศิกาภิกษุสัมมเนนพระหันมีมากพร้อมที่จะโต้อตอบวาทะให้คำตอบในคู่คนได้แล้วเป็นผู้เก่งกล้าสามารถแล้วสมควรที่เราจะละสังขารปรินิพานจากนั้นพระองค์จึงได้ปร่งสังขารในวันเดือนสามเพน ละวันโปรงสังขารแผ่นดินสถานวันไหวที่พระพุทธเจ้าโปร่งสังขารจากนั้นพระ น, น์ได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่ามทําไมจึงแผน่นดินฟ้าอากาศจึงแปลปวนถึงขนาดนี้ด้วยเหตุอันใดหนอจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกกับพระอานน์ว่าเราได้ปรงอายุสังขารเสียแล้ว จากนั้นพระอานน์ก็รู้สึกว่าเสียใจเพราะพระอานน์ยังเป็นพระโสดาบันจูนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานภาษาเลบุตรคือพระโมคคลาท่านก็ได้วราณาภาพไปก่อนพระโมกคาลาถูกโจรทําร้ายร่างกายที่ขยาศีษะ กุงราชาคฤห์แต่พระสารีบุตรท่านก็มีญารัต น, นะมองดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะปลิินปานในวันเดือนเหเพนเราควรจะปริเิปานก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้คือเป็นประเพณีในครั้ง พ, พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนพระสาวกอัครสาวกต้องปริเิปานก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้คือถือเป็นประเพณี พระนันพระาลีบุตรทราบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยญาณรัศนะของพระองค์ของท่านสาลีบุตรพระสารีบุตรก็ลาปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์สารีบุตรปรินิพานแล้วพระพุทธองค์ก็ได้แนะนํำคณะสิทธญาณสิทธพระสาวกทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายฆราวาสไปในสถานที่ต่างๆจนถึงเดิน วันสุดท้ายก็ถึงไปฉันอาหารที่นายที่บ้านนายจุนทะกำมานบุตรที่นายนายจุนทะได้ถวายอาหารามัทวะคือเป็นอาหารคนบางคนก็ว่าเป็นเนื้ออาหารเนื้อหมูหมูหมูอ่อนหมูน้อยหมูอ่อนแต่บางคนก็ว่าเป็นเห็ดของหมูกินกต่สุดแท้แต่ ใครจะตีตาเข้าข้างตัวเองจากนั้นพระองค์ก็ได้ทานอาหารวันนั้นแล้วก็ เ, เป็นพิษอาหารเป็นพิษแต่พระพุทธเจ้าไม่รู้เหรอยาณาัศนะของพระองค์รู้แก่กล้าถึงขนาดนั้นไม่รู้เหรอว่าทานอาหารแล้วจะเป็นพิษพระองค์รู้รู้ทางรู้แต่ว่านีกรรมหนีกรรมไม่พน้น กรรมของพระองค์ได้กระทำไว้ในอดีตจะต้องได้รับกรรมต้องใช้กรรมอย่างประโมกขราชท่านรู้ท่านเหาะเหินเดินฟ้าได้หนีโจรผู้ร้ายแต่ท่านบอกว่าไม่รู้จะหนีไปยังไงเพราะกรรมได้กระทาไว้แล้วในอดีตต้ก็ยอมรับอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ า, าท่านก็ยังมีวิบากอยู่จากนั้นพระองค์ก็ได้ฉันอาหารที่บ้าน ในจุนทะจากนั้นก็ได้เดินทางเพื่อจะไปสู่เมืองกุสินาราที่จุดหมายปลายทางจากนั้นพอเดินทางไปไปถึงฝั่งแม่น้ำขนาดนั้นก็ยังมีกรรำอีกเหมือนกันเวียนห้าร้อยเล่มผ่านเหนือน้ำน้ำก็ขุ่นไหลลงมาพระองค์ก็เดินไปที่จะข้ามท่าน้ำอีก พอไปถึงฝั่งแม่น้ำพระพุทธองค์ทรงเหนื่อยเหนื่อยลาการเดินทางก็ให้พระอานนท์ปูสังคาติลาดให้เป็นสี่ชั้นพระองค์ก็ลงบรรทมนอนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เฝ้าจากนั้นให้พระอานนท์ไปนําน้าขึ้นมาถวายแต่ขณะที่นําน้าขึ้นมาถวายพระพุทธองค์ก็บอกว่าเรา หิวเราก็หายเราก็หายน้ำการนอนเป็นนำน้ำมาสรุปแล้วก็คือเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ทาไมพุทธองค์หมดกิเลสแล้วยังหิวน้ำอยู่ยังกระหายน้ำอยู่เหรอท่านตัดเป็นธรรมคือร่างกายเหมือนกับรถแต่พระไทยของพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนขับรถคนขับรถบอกพระอานุนว่าอนุ์ไปนำน้ำมามาเติมน้ำรถ น้ำรถมันแห้งรถมันแห้งแล้วน้ำมันขาดรถแล้วรถมันขาดน้ำแล้วไปอานุ์ไปนําน้ามาเพื่อเติมเติมรถอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสั่งแต่พระนุนก็ถือบาตรไปทำไมนั้นะไม่มีกระปร๋องไม่มีอะไรเพราะท่านกำลังเดินทางนําดาบนําบาตรพระพุทธเจ้าไปไปเห็นน้ําขุนที่ว่านี่เกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปทั้งเหนือน้ํา น้ำพอไหลลงมาขุนพระอนนท์ก็ไม่กล้าตักเพราะเหตุน้ําขุนๆจะนํามาถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระอนนก็เดินแบบพอตกตายเราพระพุทธเจ้าหิวน้ํากระหายน้ำํำแต่เรานําน้ํามาไม่ได้เพราะน้ํามันขุนเราจะนําน้ําขุนมาถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุองค์มาถึงเป็นไงอนนท์ปวดน้ําขุนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่า อาเถออนน์ไปนําน้ํามาเออถึงจะขุนก็เ อ, เอามาเติมรถเพราะรถมันน้ําแห้งแล้วถึงยังไงก็มันต้องไปเติมแหละพระอานนก็เดินกลับไปอีกด้วยความจำอกจําใจของพระอานน์เหมือนกันเดินไปคราวนี้ถึงยังไงก็จะต้องตักเอาะถึงจะขุนยังไงก็ต้องตักเนี่ยเอาบาดตักจากนั้นพระอนนก็เอาบาดเวียงไปเวียงมาเพื่อปาดหน้าน้ําให้ ฝุนละอองที่มันลอยมาให้มันห่างไปก็เห็นว่าสะอาดพอสมควรแล้วพ่อนวลก็เหยียงปากปากบาทลงไปตักขึ้นมาพอตักขึ้นมาเท่านั้นแหะน้ําใสเสียบพลันน้ําใสเสียบพลันพ่อนวลอัจฉรย์ใจอย่างยิ่งน้ําขุ่นขุนกลับใสเหมือนกับเราใส่สารส้มในเดียวนั้นยิ่งกว่าอีก ก็นำน้ำมาถวายพระพุทธองค์นํามาแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าน่าอัศจรรย์จริงน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งบุญบา ร, รมีนควรสั่งสมน้ําขุ่นขุนข้าพระองค์ไปตักขึ้นมากลับใส่ไปพรันเสียพรันที่นํามาถวายพระพุทธองค์ก็จงเอ่อเสวยคงดื่มถวายน้ํา ด้วยความหิวกระหายพอรถมันขาดน้ำร่างกายมันขาดน้ำจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางข้ามแม่น้ำไปเมืองกุสินาราแล้วก็ไปมายถึงสวนอุทยานมันรักษัตร์นี่แหละจุดนี้จากนั้นท่าจัดการที่นั่งที่นอนที่จะปรินิพพานในระหว่างตนรังทั้งคู่ อันนี้ขอพูดจบเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยแต่ถวายพระเพิงท่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแต่เพียงแค่นั้นเหมือนกับห้องเต้ที่จะสวรรคตพวกบริษัทบริวารผู้มีอำนาจใคข้าจะมาแทนที่จุดนี้แหละ เป็นธรรมชาติของมนุษย์คือจะเน้นในจุดนี้เท่เนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปริรนิพผานไปแล้วต่างคนก็ต่าง อ, อยากจะเป็นตัวแทนแต่ทั้งที่ส่วนพระอราหารนะันท่านไม่ว่าอะไรนะท่านสำเร็จแล้วท่านไม่มีไม่ท่านไม่คิดอะไรแต่ปุุ้ชนทั้งหลายเนี่ยมีความนักคิดอย่างมากเหมือนกันแล้วก็ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานบางคนก็จ่วงจาบอีกอย่างลูกศิษย์พระมหากัสปะบวชเมื่อพายแก่จ่วงจาบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วดีแล้วท่านพวกท่านทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ทำไมถ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ ก็ตำหนิน้นตำหนินี้ตั้งวิ น, ยนัยโน้วินัยนี้เนี่ยพพระพุทธเจ้าปรนินิพานไปแล้วพวกเราจะทำาอะไรทำได้ตามสบายทำได้ตามชอบใจอันนี้ก็คือลูกสิทธิ์ของท่านพระมหากรสปะพูดพระที่บวชภายแก่ไม่ได้มีอัดมีทรรมในใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนอยู่ท่านก็แนะนำบอกกล่าวอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรทาอันนี้ไม่ควรทา เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็ร้องหมร้องไห้ผู้เป็นปุถุชนว่าพี่เลี้ยงของเรากำลังให้ให้เลี้ยงเราอยู่ให้แนะนำคำสอนให้เราอยู่แต่บัดนี้พี่เลี้ยงได้จากไปแล้ว เ, เราจะพึ่งพาอาศัยไข่อันนี้ก็คือแนวความคิดของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เสียอกเสียใจนี่แหละ แต่นี้เมื่อพระมาหากัส ป, ปะถวายพระเพิงพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วคําคํานั้นล่ะมันยังประทับอยู่ในใจของพระพระรหัตอย่างพระมาหากัส ป, ปะบอกเออถ้าว่ามีใครพูดอย่างพระองค์นี้ละ่ะคําพูดอย่างนี้ละ่ะพระพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้นานคงจะหมดโดยเร็วเพราะว่าพูดพูดอย่างนี้นะมันไม่ไมใช่ผู้สร้างสรรค์ เป็นทำลายเป็นการทำร้ายทำรายอย่างสุดๆเป็นอมะตะวาจาเป็นวาจาที่ไม่ควรจะพูดคําพูดอย่างนี้จากนั้นมหากัะสปะท่านถึงยกเป็นคาพูดนั้นขึ้นมาท่านจึงเรียกประชุมสงฆ์ให้เขาา่าท่านปรึกษาสงฆนะ์พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มาในงานถาวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า, าองค์ไหนบ้างเห็นด้วยไหมที่จะ ทำสังคารยนายขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมหลักพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ถ้าว่าไม่เป็นหมวดหมู่กระจัดกระจายก็นะ่าคงจะไม่เป็นพุทธดีในการปกครองในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะเห็นด้วยไหมพระสงฆ์พระเถระก็เห็นด้วยเอาท่านั้นก็ให้คัดสรร น, นี่แหละตอนคัดสรร น, นี่แหละพระเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ก็ให้เป็นผู้คัดสรรผู้ที่คัดสรรก็คงจะคัดสรรผู้ที่รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนที่ได้รับเพตทัตคะบาั่งที่อยู่ใกล้บ้างผู้ที่เป็นผู้แสดงวาทะใดบ้างคงจะเรียกเรียกหากันก็ได้พระอรหันต์ทั้งหมด500องค์นัดประชมกันที่ถ้าสัต บ, บัรณัูหาในกรุงราชคฤก์พระเจ้าอศศาศาสตสัตตุรูเป็นาศาสนูปถมัมภก เป็นผู้ประธรรมในการสังฆา ย, ยนาครั้งแรกพระสงฆ์ร้วนเป็นพระอรหันต์ห้าร้อยโรคนี่แหละในเมื่อไปชมกัน เ, เราก็ประชุมกันเรื่องอะไรก่อนพระมหาคส ป, ปะเป็นประธานสงฆ์ผมมีอายุพรรษาวันนี้เราจ ะ, เ, ะเราจะไปชมทมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหาลือกันเราจะประชุมเรื่องอะไรก่อนพระสงฆ์ก็ได้กลับ พระมหากัตสปะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวินยัยเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสังขายนาวินัยก่อน อันนี้ก็คือพระพุทธเ้พระเถระเสนอขึ้นมาพระมหากัรสปาก็ยอมรับจากนั้นทา่านก็ใครเป็นผู้เก่งวินัยใครว่าถามบอกใครเป็นผู้เก่งทางกฎหมายพระสงฆ์ก็เสนอว่าพระอุบาลีพระอุบาลีนีเ่เป็นผู้บวช ม, มาจากกลุ่มกบิลพทัที่ว่าเป็นเพื่อนของหมู่กลุ่มของพระ อ, อ น, นุ์ อานน์อนนรุทธะกิมพลิวัคุพัติยะและอุบาเลีเนี่ยเป็นช่างตัดผมของกุงมารทั้งหกที่มาบวชพร้อมกันแต่พระอนนรุทธะพระอานน์ให้อุบาเลีเป็นผู้บวชก่อนเพราะเขาเป็นช่างตัดผมพวกเราจะได้ลดทิฏฐิมานะลงจะได้ก่าบคนตัดผมได้เพราะว่าเมื่อบวชก่อนแล้วก็คือเป็นอาวุโส จากนั้นก็ะเสนอรพระ อ, อุปเลยเพราะได้รับเอธรรัตคะคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมในหลักพระธรรมวินัยเกี่ยวกับศีลถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นในครั้งพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจะบอกอา้าอุปรลยเป็นผู้วินิจฉัยคดีคดีความเกิดขึ้นอย่างนี้เอา้าอุปรลยไปวินิจฉัยพระอุปเลกลก็ไปนั่งแล้วก็วินิจฉัยคดีทุกเรื่องพอจบมาแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะวินิจฉัยก็วินิจฉัยอย่างอุบาลีนี่แหละอุบาลีวินิจฉัยถูกต้องแล้วสาธุเห็นด้วยอุบาลีวินิจฉัยเพราะนั้นพระสงฆ์จึงเห็นพร้องต้องการว่าควรจะนำพระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับวินยัยกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ที่ไหนๆพระอุบาลีท่านรู้หมดจากนั้นก็พระมหากัรจะปะก็ถามว่าสิกขบทที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนใครเป็นผู้กระทำความผิดและอนุบัญญัติล่ะแล้วก็อบัตที่ใกล้เคียงนะที่เป็นอบัตเบานอกจากอาบัตนั้นห้ามอาบัตหนักแล้วอาบัตเบามีอะไรบ้างนี่แหละพระอุบาลีก็เสนอเป็นฉากฉากฉากฉากฉากจบจบพระทั้งหลายอยู่ที่นั่งเอากลุ่มนี้ให้จดเรื่องเกี่ยวกับวินัยนะจดจานะไม่มีตัวหนังสือนะ ให้กลุ่มนี้จดจำเอาไว้นี่พระวินัยแล้วพระมาหกาการสภากรถาพเิเศษข้าบทที่สองว่าไงที่สาม ท, สที่สี่ที่หฉเฉลย ห, หมดความเป็นมาของวินัยแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ที่ไหนเมืองอะไรกับใครพระอุ บ, บาลีเป็นผู้เสนอทั้งหมดจากนั้นก็ต่อมาก็เมื่อจบวินัยแล้วก็เรื่องพระสูตร พระสูตรกัใครเป็นผู้รู้เรื่องพระสูตรมากกว่าก็คือพระอานุนคือคลังพระธรรมคือพระพู้แเจ้าเสด็จไปณนะสัสานที่ใดพระอานุ์เป็นผู้รำเรียนรู้รับยิ่งกว่า เ, เครื่องคอมพิวเตอร์ซะอีกบันทึกเหตุการณ์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เสนอพระอานุ์เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมจากนั้นก็ป้าหมา ก, ก็จะปรากฏเป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นท่านได้ตรัสอย่างนี้ท่านได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจากกัปวัตนสูตรอนัตตวรรคณะสูตรอย่างนี้ใครเข้ามาถามเป็นสูตรไปพระอนนท์กาวินิจฉัยในเรื่องราวทังนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาแต่เมื่อสังขารนาสามเดือนจบลงไปแล้วนี่แหละจุดนี้แหละให้พวกเราศึกษาที่ไหน เมื่อศึกเมื่อพระพุทธเจ้าพระนิพานศึกษาเรื่องสามเดือนผ่านไปแล้วนะที่เข้ามาประชุมพระห้าร้อรูปนะ่นนะก็เป็นที่ยอมรับกันแต่พระเป็นหมื่นเป็นแสนแนะที่ได้ไม่ได้เข้ามาประชุมต่างคนก็ต่างเป็นขนาณาจารย์ถ้าเป็นพระหรหัรนะัก็ท่านคงจะไม่มีอะไรก็จบแล้วคือยอมรับกันคือพี่พบริหารแล้วก็พูดแล้วก็บจบกันไอ้พวกที่ไม่ยอมใครนะมันมีอีกทีนะเออ ก็บอกว่าเนี่ยท่านที่ประชุมกันทั้ง500องค์ที่ซ้ำสตัตบรรนกูหานั้นประชุมก็ประชุมไปแต่พวกเราได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างไรเราจะยึดตามแนวแถวที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเราจะไม่ท่านจะประชุมกันยังไงก็ชุม่มเราไม่ฟังเราจะฟังที่เราได้ยินได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจากนั้นคือ คือกลุ่มพระมหาวีระนะจากนั้นก็ได้ประกาศพระศาสนาขึ้นไปทางที่เบสนะพวกทางภูฏานทางที่เบตลงไปทางจีนทางญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ว่าพวกมหายานนะันนคือพวกประกาศพระศาสนาขึ้นไปทางนู้นจะพวกกลุ่มโมกขราพวกพระอานน์พวกกลุ่มนี้นะ่ะพวกหินญาณ เขาตั้งชื่อว่าหินยญญาภพเถระวาดประกาศศาสนาทางอินเดียแหสีหลังกาพาม่าอินโดมาเลมาไทยลาวมาทางนี้คือไปคนละสายกันเพราะว่าพราะพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ขึ้นมาประกาศศาสนาเพียงสี่สิบห้าปีที่ประเทศอินเดียเพราะเขาเป็นประเทศใหญ่อีกต่างหากไปทุกหัวและแห่งกว่าที่จะประกาศได้ก็เป็นเวลานานพอสมควร แต่การประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า45ปีนับวันน้อยทีเดียว อ, อย่างองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเทศนาว่าการก็ว่าท่านองค์หนึ่งมีทั้งวิทยุโทรทัศน์เครื่องอำนวยความสะดวกมากมายมีหนังสือมีตำรับตำราอีกต่างหากาแต่ขนาดหลวงตาประกาศพระศาสนาตั้ง 5-6 เกือบ70ปี ก่อนที่ท่านจะละสังขารแต่ก็ได้เพียงเท่านี้แต่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนไหนคนมีการต่อต้านบ้างมีการต่อสู้ม่มีการไ ม, ม, ม, ม่เห็นด้วยศาสนาอื่นก็เหมือนกันเอ่อการแกล้งบางอะไรก็บมีอะไรมากมายถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงทีนี้มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปถือทิฐิมานะเราต้องเป็นผู้ฟังผู้ศึกษาอ่แล้วก็ให้ตาม ให้ศึกษาอันไหนที่ไม่ผิดหลักพระธรรมวินยัยเราต้องยืดหยุ่น อ, อถ้ามันผิดหลักพระธรรมวินยัยเอออันนั้นไม่ได้หัวชนฝาเลยเออผิดไม่ได้แต่ถ้าไม่ผิดประหลักพระธรรมวินยัยให้ค่ายว่าผิดใจตัวเองบ้าง เ, ออเข้ากับกลุ่มนั้นบ้างเข้ากับกลุ่มนี้บ้างคนนี้เข้ากับกลุ่มนั้นออกลไปอิดช้ากันคล้ายๆไม่ลงเขาไม่ยอมรับเขา อันนั้นเป็นหนทางแห่งนรกพูดอย่างกันได้เป็นหนทางแห่งบาปอากุศลเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้เขาต่อต้านตลอดสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเหตุผลนะผมเองอยากจะให้หมูพวกเพื่อนลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายจิดในหลักเหตุผลคืออันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่เป็นธรรมอันไหนที่ อยู่ในหลักพระธมิไนทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นนะวันนี้ก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็ได้แนวแน่วให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราได้อ่านตามหนังสือคงจะตีความหมายไม่ออกเลยว่ายังไม่ได้ศึกษาถึงขนาดนี้ได้ฟังไว้ก่อนจากนั้นไปก็ให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาตามแนวแถวที่ผมได้พูดให้ฟังนี้คิดว่าผม ในศึกษามากี่ว่าละเอียดพอสมควรแต่จะให้พูดละเอียดจริงๆก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยกประเด็นมาสิ่งที่ควรจะพอรู้ให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในแต่ละจุดละจุดะเพื่อการศึกษาต่อ น, นี้ไปสุดท้ายพรบปฏิโมกษ